เขาสะบัดหน้าสั่นไปทั้งร่างตั้งสติไม่อยู่จ้องมองดูหน้าจิตบัณฑิตแล้วเผลอกล่าวเป็นภาษาจันทาร์ไปอย่างนี้ว่าคลุขลุอัตมาก็พยายามจะเปิดบาลีดูนะว่าของไขรลอลิงสระอุขลุขุเนี่ยหรือขลุขนี้นะว่าแปลว่าอะไรมันหาคําแปลไม่เจอคือแปลแล้วมั น, ม, นมันไม่ได้ใจความกับเรื่อง คือเขามีเหมือนกันนะในบารีเนี่ยเขามีแต่เปิดแล้วมันมันไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนะเะยว่าท่านถ้าเรามาเดาก็คงบอกโอ้โหร้อนร้อนแล้วแหละนะถ้าถ้า ถ, ถ้าเราเดากันนะน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่า <c oughs> ถ้าไม่ร้อนถ้าไม่ร้อนนี่จะเป็นคําไหนได้เนี่ยแบบเรากินเข้าไปอะ่ะพอมันลวกปากเนี้ยก็ <c oughs> มไม่ไม่ไม่ไ ม, มีทางไอ้ที่จะบอกว่าลวกปากนี่เออ เออเออเออไ อ, อ, อ, อพองพองนี่ยังเ อ, อพอจะเป็นไปได้นะร้อนร้นี่ก็พอจะเป็นไปได้นะอื ม, มคือส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพยางค์เดียวพวกพวกอุทานแบบํานองเนี่ยนะ mm hmm. มันจะไม่ไม่เป็นประโยคออกมาหรอกว่าโอ้ยลวกปากมันจะไม่อย่างนี้หรอกใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยตามมันเป็นมันเป็นคำอุทานเงี้ยจะเป็นคําอุทานออกมาแบบสภาพตกใจอ ย, อย่างเงี้ย วันท้ายดาวเนี่ยมันน่าจะแบบว่าร้อนร้อนไจิตบัณฑิตใช่ไหมเห็นน้องอย่างนี้แล้วก็ร้องออกมาอย่างนี้ใช่ไมก็ก็ตั้งสติไว้ไม่ได้เหมือนกันว่าส่งเสียงออกมาอย่างนี้ใช่ไหก็เลยส่งภาษาจันทานตตอบไปอย่างนี้ว่านิขระนิขระนะอันนี้เปิดแล้วเจอเหมือนกันเออแปลแปลให้มันเข้ากันรู้สึกได้ นะอันเนี้ยคาแปลนิระนิ克拉ก็คือลงไปค <c oughs> ือลงไป <c oughs> เออนันรู้สึกว่าเข้ากับเรื่องได้นะตามตามที่เปิดพุทธจันุกรมบาลีเนี่ยนะ <c oughs> นั่นก็บอกร้อนร้อนก็ตกใจใมันก็เลยส่งเสียงความเคยชินไงส่งเสียงภาษาจันทาออกมาอ่านี่ก็เลยคล้ายๆกับเตือนนั่นเองใช่ไหมจะปรามนันเอง จาปลามน้องแต่ก็ขาดสติไปเผลอไปนั่นส่งภาษาสมมติส่งภาษาอังกฤษมาก็เลยส่งภาษาอังกฤษตอบนะแต่อันนี้ส่งเป็นภาษาเั่นทานาบอกกึ้นลงไปกือลงไปคื อ, ค, อคือกลัวว่าคงจะพ้นออกมาใช่ไหมก็เลยบอกให้กือลงไปกือลงไปมานบทั้งหลายต่างมองหน้าอย่างงงงคนนี้พวกเด็กอื่นๆนะพวกลูกพามจริงๆอ่ะตัวจริงอื่นๆก็าก็อ ม, มองหน้ากันไอ้เป็น พูดภาษาอะไรกั น, น, นตอนแรกก็ง ง, ง, งๆเอ้ยนี่พูดภาษาอะไรกันจิตตะบัณฑิตจึงรีบกล่าวมงคลกถาอนุโมทนา <c oughs> ได้สติขึ้นมารีบกล่าวอนุโมทนากล่าวภาษาภาษาธรรมดาไป <c oughs> ส่วนมานพทั้งหลายเมื่อออกไปภายนอกแล้วก็นั่งวิภาควิจารณ์ภาษากันอยู่ในที่นั้นก็ สงสัยก็เล ย, เยคุยกันว่านี่มันภาษาอะไรนะพูดอย่างนี้อย่างงี้สำเนียงอย่างนี้นะก็เลยจับกลุ่มคุยกันเป็นพวกพวกพอนึกขึ้นมาได้ว่าเป็นภาษาจันธานเขาเท่านั้นจึงด่าว่าเฮ้ยไอคนจันธานชาติชั่วพวกเจ้าสองคนหลอกลวงว่าเป็นพรามมาตลอดเวลาเชียวหรือนี่แล้วช่วยกันโบยตีมานบทั้งสองเสร็จอีก นะโดนอีกเขารังเกียจจริงๆมันมาถึงบอกว่าเขารังเกียจมากเลยเรื่องชนชั้นเพราะฉะนั้นนี่โดนรอบสองแล้วนะจริ ง, รงๆคราวนี้จะหนักกว่าคราวโน้นอีกนะคราวโน้นนี่ไม่ใช่ว่าไปแกล้งอะไรใช่ั้ยแต่เป็นการถือแค่เรื่องชนชั้นแต่คราวนี้โดนหลอกเลยหลอกชนิดที่เรียกว่าเขาจะเจ็บแค้นมากเลยนะอย่างเงี้ยพอหลอกมาให้เขาอะไรอ่ะ ให้มาสวดทามงคลให้นะแต่นี่เป็นแบบเป็นคนเขาถือว่าเป็นคนไม่มงคลน่ะแล้วมาสวดมงคลให้เขาเพาะ่าเพราะฉะนั้นเขาก็เลยยิ่งโหเจ็ดแค้นหน้าดูเลยท่า น, นก็เลยโดนอัดอีกรอบหนึ่งขณะนั้นมีสัตบุรุษผู้หนึ่งช่วยห้ามปาลมไว้ได้ป้องกันสองมานพออกมาแล้วส่งไปด้วยคือ คือก็ช่วยออกมาแล้วก็เลยบอกว่านี้เป็นโทษแห่งชาติกําเนิดของท่านทั้งสองฉะนั้นจงภาก็ไปบวชไปบวชเลี้ยงชีพเถอะนณที่แห่งใดแห่งหนึ่งก็ได้คือก็กลัวว่าจะโดนเขาอัด จ, จนตายอะนะเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของการถือเชื้อชาติชนชาติชนชั้นวรรณะเพราะะนั้นไปบวชเถอะ ทำไมอ่ะทำไมถึงแน่นอย่างนี้ไม่บวชก็ยังเป็นยันทานอยู่บวชจริงอ่ะวันหน้าก็ไม่หายหรอกถ้ายังไม่ใช่ถ้ายังไม่ใช่ของพุทธเราะนะถ้าเป็นผู้เจ้าแล้วเนี่ยท่านถึงจะล้มล้มวันณนทิง้งแต่ว่าย อ, อย่างอื่นแต่ยังน้อยเนี่ยพอไปบวชแล้วเนี่ยเขาก็อะไรอ่ะเขาก็คล้ายๆว่าเขาก็ยกให้พอสมควร ใช่ไหมว่าว่าอะไรนะเออพวกนี้ไปบําเพ็ญพจน์ไปอะไรอย่างเงี้ย <_' S 1> เขาก็คงไม่ไปคิดจะไปทําร้ายหรือว่าคิดจะไปอะไรรังเกตยังงอนอะไรมากนะักแล้วก็โดยส่วนใหญ่นักบวชเนี่ยคือเขารู้กันว่านักบวชเนี่ยไม่สะสมทรัพย์อยู่แล้วเพราะยังไงเนี่ยเขาก็ต้องไปบินธบะนี้ไปพิขาจารย์เขาก็ต้องให้เข้เขาใจไหมคือเขายังมีคนที่ว่า เขาก็ศรัทธาอยู่ศรัทธาหมายถึงว่าคนที่จะมาปฏิบัติดีเนี่ยใช่ไหมเขายังถือว่าได้บุญอันนี้ตามภาษาเขาเนะี่ยเพะงั้นเขาก็ให้ให้เลี้ยงชีวิตอยู่อยู่แล้วเพียงแต่ ว, ว่าถ้าจะไปได้ยศได้ตำแหน่งได้อะไรเนี่ย <c oughs> เขาไม่ให้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นเป็นเชื้อของจันทานมา <c oughs> พวกพานทั้งหลายพอกลับไปแล้ว แล้วก็ไปแจ้งเรื่องที่มานพทั้งสองเป็นจันทรทานให้กับอาจารย์ทราบทุกประการฝ่ายมานพทั้งสองก็หลบเข้าป่าไปบวชเป็นลือศรีจนกระทั่งตลอดชีวิตก็เชื่อคำของของคนที่แนะนําไปนะสัตบุรุษคนนั้นนะก็เลยเอออ้าวเข้าป่าบวชเป็นลือีไปตลอดชีวิตเลี้ยงชีวิตเองไปอย่างนั้นคันมรณภาพแล้ว ก็ไปบังเกิดในท้องของแม่เนื้อใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาจำเดิมแต่คลอดจากท้องแม่เนื้อแล้วเนื้อทั้งสองพี่น้องก็เที่ยวไปด้วยกันไม่อาจพรากจากกันได้นะเอาละานะคราวนี้เกิดเป็นพี่น้องจริงๆแล้วร่วมสายโลหิตเดียวกันและแต่ว่าแทนที่จะไปเกิดเป็นคนคราวนี้ได้ไปเกิดเป็น เป็นพวกวางพวกเนื้อพวกละมั่งพวกอะไรพวกนี้แสดงว่าโชคอนันลงนะโชคโชคลายลงมาหน่อยแทนที่จะได้เกิดเป็นคนก็คงจะมีทั้งบุญมีทั้งบาปนะแล้วแต่ถ้าบุญถ้ามีบุญมากก็โชคดีถ้าถ้ามีบาปมากก็โชคลายหน่อยนี้วันหนึ่ง นายพรานผู้หนึ่งพบเนื้อทั้งสองกําลังคาบกําลังคาบอาหารกลับมาแล้วยืนเอาหัวต่อหัวเอาขาเอาเขาต่อเขาเอาปากต่อปากกัดกินเหยื่อร่วมกันยืนขนชันอยู่ณนะที่โคนไม้แห่งหนึ่งหมายความว่างไงฮะก็คงไปได้อาหารได้เหยื่อมานี่นะ เสร็จแล้วก็เลยยังไง น, นึกสภาพนึกสภาพออกว่าเนี่ย เ, เออก็คงแบบเอาหัวชนกันกินเ่ยนะก็คงหันหน้าเข้าหากันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็อาหารก็คงจะอยู่ตรงกลางนะแล้วก็กินด้วยกัน <c oughs> เพียงแต่ว่าอยู่คนเราฝั่งท่านั้นเองอเนี่ก็กินอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึง่งนายพานมาพบข้า จึงพุ่งห อ, อกไปเต็มแรงห อ, อกพุ่งทะลุเนื้อทั้งคู่ด้วยการประหารทีเดียวเท่านั้นตายอีก <c oughs> นะตายทั้งพร้อมกันเลยทั้งสองตัวเลยเพราะนายพานนี่โอ้โหแรงดีเหลือเกินพุ่งห อ, อกทะลุเลยจากเนื้อตัวหนึ่งทะลุไปอีกเนื้อตัวหนึ่งนี่ตายตายคาห อ, อกด้วยกันทั้งคู่เนื้อทั้งสองเมื่อตายแล้ว ชาติแรกนี่เป็นยันทานชาติที่สองมาเป็นเนื้ อ, อเมื่อเนื้อทั้งสองตายแล้วก็ไปกำเนิดเป็นนกเหยี่ยวอยู่ที่ริมฝั่งน้ำรัมมาทานาทีแม้ในชาตินี้ก็มีนายพานดักนกมาเห็นลูกเหยี่ยวทั้งสองซึ่งพอเจริญวัยแล้วเที่ยวคาบเหยื่อมายืนมายืนเอาจะงอยปาก ก, กินอยู่ด้วยกันอย่าง เพลิดเพลินเอาอีกแล้วตายแล้วไม่จําชาติแล้วนะตายแล้วไม่จําว่าว่าไปกินอีธาเนี่ยนะเสร็จแล้วเลยเลยโดยโดนพาเนี่ยพุ่งตายด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมชาติต่อมาเนี่ยมันเกิดเป็นเดียวลูกเดียวพรมันเกิดเป็นลูกเดียวแต่ยังจะกินแบบอีธาเดิมอีก <c oughs> <c oughs> คือ คืก็ได้เหยื่อมาใช่ไหมก็มากินอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเอาจะงอยปากแบ่งกันกิ น, กนอยู่ด้วยกันลุม อ, อะไรอะ่ะลุมกินอยู่ด้วยกันเน่ยสตัวนายพานนกจึงเอาตะข่ายดักจับมาฆ่ากินเสียด้วยกันทั้งสองตัวเสร็จอีกนะกำลังไอ้ตายตา ย, ตายอีท่านี้อยู่เรื่อยนะตายตอนกินด้วยกันเนี่ยโดนจับ แสดงว่าบิบากกรรมที่จริงๆเนี่ยตั้งแต่ตอนจันทานแล้วนะที่บิบากกรรมของของอะไรนะสัมภูตะสัมสัมภูตะสวยเพราะว่าโลภในการกินเน่ยนะ <c oughs> เสนี้พอตายจากชาตินั้นแล้วนะ <c oughs> เหนี่ยงนาเหี่ยวชาติที่3ามเนี่ย ตายจากชาตินั้นแล้วจิตตาบัณฑิตได้ไปเกิดเป็นบุตรของปุโรหิตในนครโกสัมพีนะคราวนี้ไปเกิดเป็นพราหมละไปเกิดเป็นลูกของพราหมละเป็นปุโรหิตเนีไงไง่ยพราหม์ปุโรหิตในนครโกสัมพีส่วนสำภูตะบัณฑิตไปเกิดเป็นโอรสของพระเจ้าอุตตรปัญจาราชปัญจปัญจาราตแสดงว่าก็มีบุญกุศลอยู่นะ ในส่วนที่ทำดีก็ทำให้ได้มาเกิดแต่เกิดเป็นในทิศทางที่ดีแต่ถ้าไปทำอะไรที่ไม่ดีไว้นั่นแหละก็ไปเกิดเนี่ยเป็นเนื้อมังเป็นเห ย, ยว่มั่งแล้วก็ต้องโดนคนอื่นทำร้ายถึงแก่ความตายก็แล้วแต่ระดับขั้นตอนคิว<ม>แล้วแต่คิวท่าเดียวที่ต้องใช้ภาษาว่าแล้วแต่คิวเราไปทำคิวคิวเร็วไว้นะพอพอ พอถึงเวลาเนี่ยมันต้องใช้หนี้เราก็ต้องใช้หนี้ไปอ่ะมันมาตามคิวจริงๆนะพ่อท่านเคยบอกว่ามันมาตามคิวมันช่วงไหนเนี่ยเราทำดีเอาไว้นะดีมันก็มาส่งผลให้เราเราก็เออสบายบ้างได้รับความสุขสบายแต่พอเวลาคิวไม่ดีมานะเราก็ซวยอาจจะโดนอัดบ้างโดนอะไรบ้างก็แล้วแต่อันนี้นี่พูดว่าในชาติเดียวเนี่ยมันก็ยังมาตามคิวเหมือน แล้วทีนี้ในแต่ละชาติเนี่ยมันก็มาตามคิวของมันอีกอย่างเช่นชาตินี้อาจจะเนี่ยเป็นคนชาติหน้าอาจจะกลายเป็นกวางชาติโนนชาตินี้อาจจะกลายเป็นหนูอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ตอนนี้ชาติชาติชาติปัจจุบันเนี่ยดีนะไปเกิดเป็นคนด้วยกันทั้งคู่แต่แยกกันแล้วนะชาตินี้เกิดแยกกันแล้วนะ สงสัยจะเข็ดส <c oughs> งสัยจ ะ, จะรู้เลนะขาจเข <c oughs> จตาก็เลยไปเกิดเป็นลูกโรหฮิตส่วนโคร์ที่เลยนะอยู่สำพูตาบัดิดนี่ไปเกิดไปเกิดเป็นลูกกษัตริย์โดยที่สำพูตาบัดิตราชกุมารสามารถทะลกชาติของตนได้เฉพาะชาติที่4อ่เฉพาะชาติแรก ซึ่งเกิดเป็นคนจันทานเท่านั้นส่วนจิตตบัณฑิตกุมารระลึกได้ตลอดทั้ง4ชาติโดยลําดับจริงๆไม่ใช่ชาติแรกหรอกเพราะว่าจริงๆนะก่อนหน้านั้นก็มีมาอีกแต่ในในที่นี้เขาพูดเขาพูดแค่4ี่ชาติเพราะมั้นเขาก็เลยบอกว่าว่าชาติที่เป็นจันทานชาติแรกเนี่ยของสัมภูตะนะที่เป็นลูกจันทานเนี่ยบอกว่าสัมภูตะเนี่ย ระลึกได้แค่ชาตินั้นแต่จิตตะจิตตะกุมานีจิตตะบัณฑิตนี่ระลึกได้หมดเลยตลอดสีชาติครั้นจิตตะบัณฑิตนะฮะอายุได้16ปีจิตตะบัณฑิตออกจากเรือนเข้าไปสู่หิมมวันตะประเทศบวชเป็นดาบทยังฌานและอภิญญาให้เกิดแล้ว ยังอยู่ด้วยความสุขอันเกิดแต่ฌานอ๋อปรากฏว่าพออายุไตส16นี่จิตตะบันดิตตอนนี้เป็นเป็นลูกของพราหมณ์ปุโรหิตแล้วนะก็เลยไปบวชไปบวชเสร็จเนี่ยอ้าวก็ได้ชานนะพิญญาแล้วก็เนี่ยก็สุขสบายอยู่กับฌานของตัวเองฝ่ายสัมภูตะราชกุมารเมื่อพระชนกสวรรคตแล้วก็ขึ้นสเสวย ร, ราชสมบัติแทน ได้เป็นกษัตริย์แล้วตอนนี้สัมผูตักและในวันเฉลิมฉลองฉัตรมงคล น, นั้นเองพระองค์ทรงแต่งเพลงขับฉลองมงคลขึ้นหรือแต่งเพลงแต่งเพลงให้กับตัวเองนะเพราะว่าตัวเองขึ้นฉลองเป็นก ษ, ษัตริย์่นะนางสนมกำนันก็ดีนักฟ้อนรำทั้งหลายก็ดีได้ฟังเพลงขับนั้นแล้วคิดว่านี้เป็นเพลงขับเฉลิมฉลองเนื่องในวันมงคล ของพระราชาของเราทั้งหลายที่ทรงประพันธ์ขึ้นด้วยพระองค์เองดังนั้นจึงพากันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์นั้นทั่วกันแม้ประชาชนชาวพระนครทั้งหมดทราบว่าเพลงขับนี้เป็นที่โปรดปรานพอพระราชาหรือไทยของพระราชาก็พากันขับร้องบทพระราชนิพนธ์นั่นแหละสืบต่อต่อกันไปฝ่ายจิตตะดาบท อยู่ในหิมะวันตระประเทศนั้นได้ใคร่ควรวญพิจารณาดูด้วยชานด้วยยานของตนก็รู้ว่าสัมภูตาบันดิตอดีตน้องชายของเราได้ครอบครองสเวตฉตดแล้วจึงคิดว่าบัตรนี้เรายังไม่สามารถเพื่อจะไปสั่งสอนพระราชาซึ่งได้สเสวย ร, ราชสมบัติใหม่ๆต้องรอให้ทรงพอรู้แจ้งได้ก่อนเราถึงจะเข้าไปหา แล้วชักนำให้บรรพชาให้ได้คือฤาษีนี่นะก็เอาใช้ยานใช้ความรู้ของตัวเองเนี่ยพิจารณารู้ว่า อ, อ๋อตอนนี้น้องชายนี่ได้บวชเป็นเอได้สถาบนาเป็นกษัตริย์แล้วแต่ไม่มีทางเลยที่ตอนนี้จะไปดึงมาให้บวช ด, ด้วยเนี่ยคือจะมาให้ได้ดบได้ดีด้วยเนี่ยตอนนี้มองแล้วยังไงก็ เห็นว่าไม่มีทางเพราะว่ายิ่งเป็นกษัตริย์ใหม่ๆอย่างนี้กําลังเลยถ้าใช้ภาษาชาวบ้านกําลังเหรอนะกำลังอะไรอ่ะมีบิติใช่ไหมมีความยินดีมีความพอใจใหม่ๆเพราะฉะนั้นก็เห็นเลยว่าไม่มีทางเพราะฉะนั้นก็เลยรอโอกาสอยู่คิดดังนี้แล้วจึงไม่ได้ไปหาก็ทั้งรอเวลาถึงโอ้โหถึงเท่าไหร่รู้ไหม รอจนกระทั่งถึงห้าสิบปีทำไมเหตุผลนะ่าฟังดูนะในเวลาที่พระราชาทรงพระชรลาภาพมีพระโอรสและพระธิดาแล้วหลายพระองค์ <c ười> คือคือพูดง่ายๆว่าพระราชาเนี่ยคงไม่ยอมไม่ง่ายท่านก็รอรอร อ, อจนทั่งรอให้พระราชาแก่ <c ười> ให้แก่เลยให้คล้ายๆว่าอะไรให้เต็มที่อ่ะให้เรียกว่า อะไรมีทั้งมเหสีมีทั้งพระโอรสพระธิดามีอะไรเพียบพร้อมหมดให้เต็มที่เลยนะคิดว่าเต็มนาะเดี๋ยวคงจะเบื่อหน่ายนะนะคงจะให้สลักกมแล้วก็มาบวชได้จิตตาดาบที่นี้นะพอคิดว่า50ปีนี่พอแล้วนะจิตตาดาบทึงไปปรากฏตัวที่พระราชอุทนานนะก็ใช้ฤทธิ์เนี่ยไปนั่งอยู่บนแท่นมงคลศิลาอาต ลรากับพระปฏิมาทองคาไปเลยไปปรากฏตัวอยู่ที่พระราชอุทยานพระราชอุทยานนี้ไม่ได้อยู่ในวังนะพระราชอุทยานพระราชอุทยานส่วนใหญ่มากจะอยู่นอกเมืองพพอไปถึงพระราชอุทยานนี้ก็ไปเลยไปนั่งที่แท่นเลยนนิ่งอย่างกับเป็นเทวรูปทองคาอย่างนั้นนะ่ขนาดนั้นมีเด็กคนหนึ่ง กำลังขับเพลงบทพระราชนิพนธ์เก็บฟืนเออคือเก็บฟืนไปแล้วก็ขับเพลงพระราชนิพระราชนิพนธ์ของมาราชาไปจิตตาดาบทจึงเรียกเด็กนั้นมาเด็กก็ไหว้พระดาบทแล้วยืนอยู่จิตตาดาบทจึงกล่าวกับเด็กนั้นว่าตั้งแต่เช้ามาเจ้าขับเพลงบทบทนี้บทเดียวเท่านั้นหรือหรือไม่รู้จักเพลงบทอื่นบ้างเลย เด็กตอบว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมรู้บทเพลงแม้อย่างอื่นเป็นอันมากแต่บทเพลงนี้เป็นบทที่พระราชาของเราทรงโปรดปรานพอพระราชาหรือไทยเพราะฉะนั้นกระผมจึงขับร้องเฉพาะเพลงบทนี้เท่านั้นเด็กก็บอกว่าไม่ได้เพลงนี้เป็นเพลงฮิตเป็นเพลงของพระราชาแต่งทรงแต่งเองเพราะนั้นเพลงอื่นก็รู้ นะมงลักบุกทุ่งอะไรอย่างนี้ก็รู้แต่ว่าไม่ร้องนะจะร้องเฉพาะเพลงนี้เท่านั้นพระดาบทถามต่อไปว่ามีใครบ้างหรือเปล่าขับร้องเพลงตอบบทพระรา ช, รรา ช, รราชนิพน์นี้บ้างหรือไม่เด็กนั้นตอบว่าไม่มีเลยขอรับพระดาบทจึงกล่าวว่าก็เจ้าเรารู้จักขับบทเพลงตอบ หมายถึงว่าตอบบทเพลงนี่คือจะต่อเพลงนี้ออกไปอีกได้ไหมใช่ไหมเด็กตอบว่าหากผมรู้หมายถึงว่ารู้ว่ามีเนื้อเพลงแต่งต่อเติมอะไรมาได้อีกเนี่ยถ้ารู้ว่ามีแต่งเติมมานะแล้วก็บอกบอกเขาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะขับร้องได้พระดาบทจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเมื่อพระราชาทรงขับบทเพลงพระราชนิพน์นีแล้ว เจ้าจงจําเอาบทเพลงที่เราจะสอนนี้ไปร้องขับตอบเถิดนะไปขับโต้ตอบเถิดสอนง่ายมากเลย <c oughs> แล้วสอนบทเพลงขับนั้นให้เด็กฟังพร้อมกับสั่งว่าเจ้าไปขับร้องในสํานักของพระราชาพระราชาหากทรงเลื่อมใสจะพระราชาทานบ้านสวยให้แก่เจ้า <c oughs> เป็นแน่ เด็กนั้นก็ดีใจรีบกลับไปที่บ้านให้มารดาช่วยป ร, ประดับตกแต่งกายให้แล้วไปยังประตูราชนิเวศขอให้ราชบุรุษกราบทูลพระราชาว่ามีเด็กคนหนึ่งจะมาขอขับร้องบทเพลงตอบกับพระรา ก, กับพระองค์ขั้นเมื่อได้รับบรมราชาอนุญาตแล้วจึงเข้าไปถวายบังคมพระราชาพระราชาตรัสถามว่า พอเด็กน้อยเขาว่าเจ้ามาขับร้องเพลงตอบกับเราจริงหรือเด็กนั้นก็กราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นเกล้าเป็นความจริงพระเจ้าค่าแล้วกราบทูลให้พระราชามีพระราชาองค์การให้ให้ราชบริษัททั้งหลายมาประชุมกันแหมปรากฏว่าเด็กคนนี้ก็ไม่เบานะที่จริงไปโต้อตอบกับพระราชาก็ก็แค่นั้นก็พอใช่ไหม แต่นี่กลับบอกว่ า, อาบอกว่าช่วยเรียกอะไ ร, ไรข้าราชบริพารต่างของพระราชาเนี่ยเอามาประชุมกันเยอะมาฟังมาฟังเมื่อราชบริษัทรประชุมพร้อมกันแล้วจึงกราบทูลพระราชาว่าขอพระองค์โปรดทรงขับร้องบทเพลงพระนิพนธ์ของพระองค์ก่อนเทิดแล้วข้าพระพุทธเจ้าจะขับบทเพลงถวายตอบทีหลัง อาจจะเรียกคนอื่นมาให้ฟังมาเป็นสักขีพยานก็ได้นะพระราชาจึงได้ตรัสบทเพลงขับนั้นว่าเอาละานะฟังดูนะพระราชาแต่งเพลงว่ายังไงทรนะงแต่งว่ายังไงกรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้วย่อมมีผลเสมอขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มี เราได้เห็นตัวของเราผู้ชื่อว่าสัมภูตะมีอานุภาพมากอันบังเกิดขึ้นด้วยผลบุญเพราะกรรมของตนเองเราทั้งสองได้รักษาศีลด้วยผลแห่งศีนั่นเองความหวังความปรารถนาของเราสำเร็จแล้วฉันใดความหวังความปรารถนาแม่ของจิตตปันดิตพระเชษฐาของเรา ก็คงสาเร็จแล้วฉันนั้นกำมังหนอนี่เป็นบทเพลงฟังให้เป็นบทเพลงนะเพลงเพื่อชีวิตเพลงเพื่อชีวิตอะไรคือจริงๆแล้วเท่ากับว่าพระราชาเนี่ยแต่งเรื่องของตัวเองนั่นเองใช่ไหมว่าว่ากว่าจะมาได้ของราชเนี่ยมาว่าอ๋อแต่ก่อนนี้คือเราลืกได้ชาติเดียวเนี่ยมันก็เคยก็เลยนึกอยู่แต่ว่า ว่าออชาติก่อนที่จะได้มาเป็นพระราชาเนี่ยว่าได้มาเป็นสัมภูตะมาก่อนใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เลยแล้วก็เราลึกได้ว่าเออมีพี่มีลูกพี่ลูกน้องเนี่ยนะเป็นจิตตะบัณฑิตเนี่ยอีกคนนึงใช่ไหมก็บอกว่าเออตอนนี้ผล บ, บุญของตัวเองทําให้ตัวเองมาได้เป็นกาษัตริย์แล้วมันก็เลยคิดถึงพี่ชายว่าพี่ชายก็คงจะได้ ได้สมความปรารถนาที่ของพี่ชายที่ตั้งเอาไว้นั่นเนี่ยเพลงเ้าก็แต่งเออเพลงของสัมภูตะเนี่ยก็แต่ง่าอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวดูนะเมื s s ่อพระราชาขับเพลงจบลงเด็กน้อยจึงขับเพลงตอบถวายว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพกรรมทุกอย่างที่นรชนสั่งสมไว้แล้ว ย่อมมีผลเสมอขึ้นชื่อว่ากรรมแม้จะเล็กน้อยที่จะไม่ให้ผลเป็นไม่มีความหวังความปรารถนาของพระองค์สาเร็จแล้วฉันใดขอพระองค์โปรดทราบเถิดว่าความหวังความปรารถนาของจิตตับดิตก็สาเร็จแล้วฉันนั้นเหมือนกันแค่นี้นี่เป็นเพลงตอบตอบคําตอบของ ของสัมภูตะบัณฑิตอของพระราชาเนี่เพราะว่าพระราชาเนี่ยแต่งเพลงเนี่ยจบโดยการที่จะว่ามันเหมือนกับถามถามอยู่ใช่ไหมแบบสงสัยอยู่ว่าเอ๊พี่ชายตัวเองเนี่ยจะได้สมหวังเหมือนอย่างกับตัวเองสมหวังต่อ น, นี้ไหมใช่ไหมเพราะนี้ก็เป็นการตอบเป็นคําตอบที่ตอบว่าสมหวังแล้วอ้าวถ้าตอบอย่างนี้มาถ้าเป็นเราเป็นพระราชาเราจะยังไง เออก็สงสยัยเรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงว่ า, ว, าว่าพี่ชายของเราสมหวังแล้วอ่ะอ้าวจริงหรือเปล่าอ่ะแล้วนี่เป็นเด็กด้วยใช่ไหมวันพระราชาทรงสดับเพลงนั้นแล้วทรงอดแปลกพระไทยไม่ได้จึงตรัสว่าเจ้าหรือคือจิตตะแม เ, เป็นงั้นไปเป็นไม่ได้ไหมเป็นไม่ได้ป่ะสมมุตินี่สมมุตินะว่า ว่าสัมภูตะเนี่ยเดี๋ยวจีสมมติก่อนสมมุติว่าสัมภูตะเนี่ยเขารเลึอกใจชาติเดียวเนี่ยเขาคงคิดว่าชาติชาติที่แล้วเขาเขาเป็นสัมภูตะใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอตายเนี่ยเขาตายเขาตายพร้อมกันสมมตินะเขาตายพร้อมกันปุ๊บเขาก็ต้องไปเกิดพร้อมกันใช่ไหมนี่นีตามสมมุติก่อนถ้าคิดกันแบบแบบง่ายๆแบบหยาบๆดูก่อนก็ในเมื่อว่าสัมภูตะไปเกิดปั๊บใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นเป็น ลูกกษัตริย์อ่าถ้าสมมุตินั่นแหละไม่รู้ว่าไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คิดว่าเป็นคนแล้ะสามพูตาคิดว่าเป็นคนใช่ไหมเลยนึกว่าเป็นเด็กนี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็หมายความว่ายิตตาบัณฑิตนี่ต้องไปเกิดทีหลังสามพูตาบัณฑิตต้องต้องหลายปีใช่ไหม <laughs> <laughs> เพราะว่าตอนนี้นี่แก่แล้วอ่ะใช่ไหมพระราชานี่แก่แล้วใช่ไหมาาา แ, แล้วลเด็กนี่มาลองอะ่ะพระนก็เลยสงสัยอะ่ะก็เลยถามว่า เจ้าหรือคือจิตตะเพลงนี้เจ้าขับดีแล้วยอมรับว่าเออเพลงเนี้ยพูดมาอย่างนี้ดีแล้วเพราะอย่างน้อยดียังไงดียังไงเอามันดีตรงที่เรียกว่าพระราชาสมความปรารถนาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าพี่ชายสมความปรารถนามนก็แฮปปี้เอนดิ้งใช่ไหมเนี่ยอย่างน้อยก็บอกว่าเออเพลงนี้เจ้าขับดีแล้วเราไม่มีความสงสัยคือไม่สงสัยในในเพลงนี้ว่าดีแล้ว เราจะให้บ้านสวยร้อยตำบนแก่เจ้าโอ้โหเลยได้จริงๆนะเด็กน้อยจึงทึงทูลความจริงว่าข้าพระพุทธเจ้าหาใช่จิตตะไม่ข้าพุทธเจ้าฟังคำนี้มาจากคนอื่นพระดาบทผู้นั่งอยู่ในพระราชอุทยานของพระองค์ของพระองค์นั่ น, นเองได้บอกเนื้อความนี้แก่ข้าพุทธเจ้าแล้วสั่งว่า เจ้าจงไปขับเพลงนี้ตอบถวายพระราชาพระราชาทรงพอพระทัยแล้วจะพึงพระราชาทาน บ, าบ้านสวยให้แก่เจ้าบ้างกำมังโอ้ยิ่งพูดอย่างนี้ไปยิ่งหมายความว่างไงเนี่ยยิ่งสงสัยหนักเลยแล้วก็แล้วก็พูดไว้ถูกด้วยนะบอกว่าเนี่ยถ้าพระราชาถ้าเป็นที่พอใจพระราชานี่พระราชาคงจะถวายบ้านสวยให้แน่เลยนะคืออันนี้ก็ถูกอีกใช่ไหม เสร็จแล้วก็ยิ่งยิ่งแบบว่ายิ่งเพิ่มความสงสัยให้กับพระราชาเนี่ยมากขึ้นว่าเอ๊ะแล้วมารู้เรื่องคือมายืนยันได้ยังไงว่าว่าว่าไม่ใช่ยืนยันได้ยังไงว่าพี่อดีตชาติเนี่ยพี่ในอดีตชาตินี่สมหวังแต่ว่าเด็กนี่ยืนยันว่าเอ๊ะเนี่ยฤาีนี่พูดง่ายๆว่าเหมือนกับพยากรณ์มาเลยบอกว่าเนี่ย จะไดบ้บ้านสวยจากพระราชาว่านกเ็เลยยิ่งรู้สึกว่าอะไรอะ่ะศรัทธาหรือว่าเชื่อมั่นยิ่งมากขึ้นสงสัยคงจะต้องต่อขราวหน้าสนหรับบ้างนะอะไรนะฮะอีกนิดนึงเหรอ <c oughs> เอ า, เ, อาเดี๋ยวเอาหายสงสัยเอาให้ไปเจอก่อน <c oughs> พระราชาทรงสดับถ้อยคำนั้นแล้วทรงพระดำริว่าดูความคิดพระราชา ชลอยพระดาบทนั้นคงจะเป็นจิตปัญดิษฐผู้เชิดเชิดาดาของเราแน่เห็นทีเราต้องรีบไปพบพระเชิดถาดาของเรานั้นโอ้ปักใจเลยครัน้นี้นะพระราชาที่ปักใจเลยว่าใช่แง่แง่เลยรับรองว่าไม่ผิดตัวแน่ๆนะแล้วก็เลยรีบเลยนะก็สั่งจึงสั่งว่าสั่งราชบุรุษทั้งหลาย จงเทียมราชรถของเราจัดแจงให้ดีผูกรัดจัดสรรให้งดงามวิจิตรจงผูกรัดสายประคนมงคลหัดถีนายหัดถาจารย์จงขึ้นประจำคอคอนี่คือคออะไรคอช้างแล้วจงนำเอาเพรีตะโพลสังมาตาเตรียมไว้เอาไปทำไมเอาไปแห่นะไอ้หนังเาต้อนรับไปอะไรต่ออะไรให้เกียรติ เจ้าหน้าที่ทั้งหลายจงเทียมยานพาหนะโดยเร็ววันนี้เราจะไปเยี่ยมเยียนพระดาบทให้ถึงที่พระราชอุ ท, อทยานทีเดียวพระราชาคั้นดำรับสั่งอย่างนี้แล้วก็เสด็จขึ้นทรงรถพระที่นั่งเสด็จไปโดยเร็วพันถึงแล้วจอดราชรถไว้ที่ประตูพระราชอุทยานแล้วเสด็จเข้าไปหาพระดาบทนมัสการ แล้วประทับนั่งนาทีิควรส่วนข้างหนึ่งทรงมีพระราชาหรืไทยชื่นชมโสมนัสตรัสว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ได้ลาบดีแล้วหนอบทเพนอันข้าพเจ้าขับดีแล้วในถามกลางบริษัทชักนำให้ข้าพเจ้าได้พบพระดาบทผู้สมบูรณ์ด้วยศีลช่างก่อเกิดปิติยินดียิ่งนักขอเชิญท่านผู้เจริญโปรับอาสนะ น้ำและรองเท้าของข้าพเจ้าทั้งหมดเถิดข้าพเจ้ายินดีต้อนรับด้วยสิ่งของอันมีค่านี้เชิญรับสักการะอันมีค่าของข้าพเจ้าด้วยเถิดนะขอเชิญพระเชษฐาทรงสร้างปรางปราศาสตรอันเป็นที่น่ารื่นรมสําหรับพระองค์เถิดทรงบํารุงบําเอด้วยหมู่นารีทั้งหลาย โปรดให้โอกาสเพื่ออนุเคราะห์แก่ข้าพเจ้าด้วยแม้เราทั้งสองก็จะครอบครองอิสริยสมบัตินี้ร่วมกันคือพอเจอปุ๊บนะไม่ถามเลยไม่ถามพรดาบดเลยว่าไอ้จริงหรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นพี่ในอดีตจริงหรือเปล่าแน่ใจเต็มที่เลยพอเจอปั๊บก็โอ้โหกราบเคารพนะับูชาเลยแล้วก็อะไรอ่ะ มีอะไรต่ออะไรก็เอามาถวายให้เลยรวมไปทั้ง <c oughs> รวมไปตั้งอะไรถวายถึงขั้นอะไรถึงขั้นบอกว่าเอาราชสมบัตินี่ให้คองร่วมกันเลยนะแล้วไม่ใช่แค่นั้น น, นีบอกจะยกให้หมดเลยเนี่ยทั้งทั้ง อ, อะไรเนี่ยทั้งนาลีทั้ ง, งอะไรต่างๆนี่ยกให้หมดคือพูดง่ายๆว่าพูดอย่างนี้หมายความว่าให้ใครเนี่ยให ให้พรตาบดศึกเท่านี้อา้าวใช่หรือเปล่าอ่ะจะมาครองสมบัติร่วมกันก็ต้องศึกมาสิเพราะว่ามาครองสมบัติก็ต้องเป็นพระราชาใช่ไหมถ้มาเป็นพระราชาร่วมกันแล้วอีกคนหนึ่งเป็นพระราชาอีกคนนึงเป็นนักบวชได้ยังไงก็ต้องมาแบบว่าก็ต้องศึกมาวันเท่ากับว่าคือรักนะอันนี้รักรักรักพี่ชายอา่าก็เห็นปั๊บก็รู้สึกเลยทันทีเลยว่าใช่แน่ๆเลย วันไม่คิดเป็นอย่างอื่นเลยคิดอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะแล้วก็แบบว่าอยากจะให้พี่ชายเนี่ยมาอยู่ด้วยนะอยู่ด้วยกับตัวเองเพื่อที่ตัวเองนี่ก็จะได้แบบว่าอะไรอ่ะก็มีความสุขนะคนที่แบบว่ารู้จักกันสนิทสนมกันเนี่ยเจอกันก็จะมีความสุขเกิดขึ้นวันก็เลยแบบว่าก็ขอเลยนะบอกว่าเนี่ยจะยกสิ่งมีค่าต่างๆให้ จิตตดาบทฟังคำตำลัดของพระราชาแล้วก็ทรงแสดงธรรมเทศนาถวายว่าดูก่อนมหาบาพิตรพระองค์ทรงเห็นผลแห่งสุจริตอย่างเดียวส่วนอัตมาภาพเห็นทั้งผลแห่งสุจริตด้วยและทั้งทุจริตที่สั่งสมไว้แล้วว่าเป็นวิบากใหญ่จึงสำรวมตนมิได้ปรารถนาบุตรปัสสตว์หรือทรัพย์